ขอโอกาสจากพวกพ่อพวกแม่พวกอ้ชายน้องนองลูกหลานทุกๆคนมื่อนี่ก็เป็นวันที่สีแล้วเนาะนางฟังธรรมดาธรรมดาก็ได้ที่พวกแม่เขาลูกหลานทาด้วยบ่บ่หลายดอกที่ได้ให้โ อ, อกาสเพราะว่าเรียกบางการเลื่อนของคนภูมีชีวิตอย่างผูกพ้องเลือนทั้งหลายรับผิดชอบมีงานมันหล่นตัวอยู่ที่มา้า สนับสนุนด้วยการทรงสเสบียงน้ำขา้าวปลาอาหารมาทรงให้พระทรงสำนีน้หรือพอเมื่ผู้ะพุผู้แก่ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมกิตินี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอุปถัมเป็นกรรมสนับสนุนให้พวกมาปฏิบัติธรรมได้เพสเต็มที่ได้ทำเต็มที่พูดถึงการปฏิบัติธรรมบนันเพื่อให้ลูกหลานเขาเจ้งที่แหล่าผู้เขาเกิดใหม่ในรุ่น กำลังเป็นบา่าวเป็นสาวเป็นทาเป็นนาเฮากะเป็นฮวงจางวาละ่ะกังขึ้นกับบริ ม, มาเพราะว่าอากาศกันนา่าหนาวฤดูหนาวพระท่านพานเป็นขึ้นว่าเรื่องการเทป ง, งานทุกสิ่งทุกอย่างกับเป็นการประพฤติธรรมักเข้าใจว่าการปรุพุทธรมี่เจาะจงเรื่องเดียวคือต่องมาเดินจงกง ร, ร, รมหน้าสางเจงวะไ ม, ม่โยกไม่ยกมือเขาเอื่อหน่อยสำปะชันยาปะผะที่เป็นโยกไม่โ ย, ยมือ การเดินจกมสังจว่านนั่นเป็นวิธีหนึ่งแต่บานนี่วิธีของผู้คล้องเลื่อนนี่เป็นไปกับงานเร่รูดอัตโนมัติโดยที่ลูกหลานผู้เกิดใหม่รุ่นกำลังเป็นบ่าวเป็นสาวกําลังเป็นทาสเป็นนางเขาสีบรูดสื่ตัวแม้กระทั่งพ่อแม่เฮาเอยงกัย่างบรูดใจว่าเป็นการปฏิบัติธรรมมันก็เป็นการทรงทางพ่อแม่เกันยังพ่อแม่เฮามาปฏิบัติท่านอยู่ที่นี่หกมือเจ็ดมือลูกผู้อยู่บ้านก็มีโอกาสชงไม่โอกาสช่วยเหลือให้พ่อให้แม่เฮาได้เจริญมาก ในมาเดินทางเขาเอื่นเดินจากโลกจีไปสู่โล ก, กุตละเดินทางกันไปสะดวกสบายโดยอาศัยผููยุบันซอยปดซอยแก่เครื่องของทั้งหลายให้พอแม่มาแต่ร่างกายจะมีแต่วิจิตใจของผุ่นเพิ่นจะค่อยเอื่นเขาว่าเป็นสัตสั ต, สตเขาเปลียว่าผู้ของคราบว่าแมน้นอ า, าสัต์ติลักษณ์ได้เป็นเวน่าเ ย, ยาสัตว์ผู้เนะน่ยนําผู้รับขับนนน้นะนํายน้ใดเป็นนยสัตว์ โดยมากพอกับแม่ที่ม่าปฏิบัติธรรมกับของยุค บ, บ้านรามาเบิดทุกคนโอ้ยพอมีขามีราค่ากับยุบหุ่นเรือบ้านการเฮี้ยงกับิม่าเบิดปล่อยให้ลูกให้เต่ารับผิดชอบโดยลําพังดังมัดังนั้นเจ็ดมือที่อ่าพอบระยูนเมียปรยูนให้ลูกสูดทําทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งเจต ก, การเพื่นเด้กการลูกเต่าหัตติเพื่อนที่ไฟหงุดหงิดแจ้งแจ้งว่ากระเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการทรงพอทรงแมีตั้งจากทรงที่ทรงนอ่องหรือทรงแขกเหลือ เย่ญาตสนิทมีสหายเพื่อนไม่เยี่ยมยามถามถึงมาพักบ้านพักเพื่อนห้องเพื่อสิจากไปห้างซงห่อเข่าห้อปลามีอันไดนเป็นของกว่าของของฝากของฝังกันนําำซงกันซงผลเฮือนผลซ่านพูบุญละขามท้งให้ท้งหน้าไปหอดรดหอดล่าบุญล่ะการทรมูทรงผงทรงทีทรงนองอันทรงพอทรงแม่หมายถึงเฮ็ดงานตุกสิงทุอย่างในขณะที่เป็นวัยเฮ็ดจนสุดปีมือนับตั้งแจ็คสึนเดอร์ลูซ่าจังว่าล่ะ ระวังพีระวังน่องอยืดหนํากันยาอย่าพิษของตองเทียงละมันระวังสังว่านห็ดดีเป็นตะปันิโมกสังว่านเห็แต่ว่าเสียยางเดี๋ยวว่าการละมันระวังการสังว่านระวังพีระวังน่องยืดหนังกันห้องผดิตผึกตสติมันก็สังว่านหรือระว่างใหญ่เน่้อเรืองทะเลเบาะแหว่งเป็นปาเปลี่ยนเสียงเรื่องละห้องละแห่งห้าผู้มาข้องเที่ยบผู้เคยเที่ยวตีนทิศัยห้าสิบวันเด้เบิ้งช้อนเบิ้งท่านจ้อยน่องผู้ละกินถอยแลำเมื่อ เสพบันไดกับว่าแตเลยบได้เส่านชแทะโดยโรคเฮื้ยนจึงไม่ทั้งควายให้น่อให้นุงเบิ่งซิ่งเบิ่งของโดยลำพังเดึกดดๆกับคงบไวบกบตาบุกมีแต่ว่าการเฮี้ยนเฮีดเวียเฮี้ยอยู่กับเพื่อนนี่มันได้ผลหลายอย่างซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมโดยรู้ซิตัวนึงได้ซอยสันสางเออสันสางหาไายได้ลดีใชอดใชครัวป้ใจเครื่องอาหารต่างๆัดสบอรบ่อยากฐานะความหอกับ่ะิ้วขอดบะหอนหิว เจสิสนี่ในในส่วนนี้ลูกเต้ากับได้มาจุนเกียรได้มาซอยพอซอยแม่ยในบานนี้ค่ามเมีกัใจดีได้บา้านนี่เรื่องใจดีมันเป็นอนันนิสง์ที่ได้ม่าแจากพ่อใจแม่ยูจุจ้งรู้พ่อว่าละ่ะอันนิสงของผู้ก่อเพื่อดีลูกทําใจถ้าลูกของเขาเป็นคนสิตามมักงได้เนาะเป็นคนประหยัดมัธยัสถึงคนกับเม็ดกับเมีบดเซตเซเล่อนพวบเปลืองชั่วพวกต้นปิต า, า, าสิ้เสียติจสิ พ่อแม่สิบบมีโอกาสบนโจมให้แล้วพ่อแม่เคล่นว่าลูกดีพ่อแม่สบายใจลูกได้ดีพ่อแม่ก็มีความสุขเคลื่ไหวกันสิแม่นี่ดีดีแค่ไหนอ้าก็ดีในงานในการละ่ะดีในหนาทีล่ล่ะว่าเพิกเฉยเลยละ่ะหาเนี่ย ม, มาเห็นหาเนี่ย ม, มาทำมือหนึ่ง น, งนึงนี่บ่บ่บปล่อยถิ่นซื่ซอๆหนอพ่อแม่สิโจมจะได้บ่เปิดตะจมบ่เปิดตะบนบ่มีเรื่องจมบ่มีเรื่องบน มิได้เรื่องดีใจเรื่องดีใจเขาเอื้นแซนจีนทาริยเจะนิปะกกันถ้าเราเป็นภาษารบาลีนีน่สันตจินทาริยเจนิปะกแปลว่าอินทรียรรร์ของพอขอแม่สงบระงับสง บ, งสงบจากอารมณ์วูว่าบ่โกะ บ, กกบ่เกียรบ่เกียด์บ่คุณบ่มีอารมณ์ฉุนเขียวเคยบนเค่อยจนจมเค่อยจูจีพิธีพิถันเลยบ่บนบ่จมาพอแมีกับอายุเน่ายยด้วยบ้านลูกตัวอายุหายกระบาดคันลูกดีนี่เป็นการตัวอายุหายเจ้าพอเจ้แม่จะจนี่จะว่าตัวให้พอได้ตัวให้แม่ยได้เรื่องอายุเอ้า ลูกประสางเรื่องสารเล่าใหนมิผลกระทบกับเพื่อนต่อจิตใจของพ่อของแม่พ่อแม่บ่เคยเป好好็นผู igans, ettes, <Yeah. S 2> ้มิอารมณ์ข้างไม่ได้จิตใจปลอดโปรงแจมอใสเป็นป่าัดสวนมอดจูดงนงานอยู่างนั้นครแม่ลูกสร้ารเรื่องสารเล่าเรื่อยเขาเอื่นว่าอารมณ์ข้างพ่อแม่เคยเอาของข้างไว้ซื้อทั้งเขาทั้งอ๋อบอกของยังไงไม่สั้นลินจกิมรักง่วลรักขั้วก็ได้ข้างไว้คันเท้าดีปรดี๋ยวคันคว้นนั่นไม่คุรอยจ็โต้ใสหัวแกงเจียอยู่ อารมณ์ข้างนีแห้งแห้งคากหลายเป็นอุปสรรคต่อาการลารงชีวิตธรรกินเขาขึ้กินบวกลงขันอารมณ์ข้างสมว่ามีภูมิาจเจป่าวิจ า, ารว่านหัวสิซุนหล่ ย, ย, ยื่นลูกเต่าหาพระเข่าไมา่กินขนาดใจบ่ดีใจบ่เง่ากินบวลงมันเป็นไงมันอิมอ่มอารมณ์อารมณ์ยังข้างอยู่อารมณ์ยังข้าข้ออยู่อารมณ์ถึงมันบ่เป็นตัวเป็นตั ว, ตว บ, บ่มีตัวบ่มีตนแต่ยังท่านเขากินเขาบ่ได้ล่องล่องบอ่เสีอมือไหนกับดีๆ เสอหวานตึงข้าวแล้วในภาชนะล่องไปด่าลูกข้าวเขาเบิ่งเบียงเขากินได้ส3งสามค่ำพระท่านบโบสวสีเ อ, อิรเคเินทองอย่อนเงินไปเลยพังงายลังไปเลยอารมณ์นั้นเป็ีนนั้นแหละอารมณ์มันมีอิทธิพลตัวมีพิศวงห ล, หลายอารมณ์ในห้องได้ลองห้มลองไ้พ่อแม่เสียใจกินเขาบ่ได้ผนอารมณ์เรื่องอารมณ์ยังลูกตีนะตีกันตัวหนาตตาไปในส ม, มว่บรร า, าบัญญัติก่บหมดจดเนะาะผูดถึงอารมณ์ข้างเนี่ยข้าลูกของเาตีกันซะ โอ้ยจะไปตีกันทอลูกเออแม่นี่แห้งบ่เย็ได้ยิ่อันการทกการเฉียงการทะเลาะบ่แย้งเป็นปลาเป็นเสียงนี่พวกเจ้าบ่อายบ้านใกล้ชิดติฏฐานเออเฮงเป็มะขึ้นฮักกันคือแพ่งกันเดียแม่เลี้ยงใส่กันนี่ก็ยังให้ถูกต้องกองดองกันย่าจะไป็พิษกันและเถอแม่วันเกิดเป็นมือเป็นวันมีแต่เรื่องทกเรื่องเฉียงเป็นปลาเป็นเสียแม่บ่เย็ได้ยนิ่งจะสิเกิดมือนึงเกิดตีกันอี๋หรือชุลมุนรุนไล่ไปเลย่อยจะสจนกระทั่งบ้านใกล้ชิดทิฏฐานมาห้าม ไม่จ is to ุดไม่หลากดึงออกไปคนละทั้งแม่กับพ่อหนีใจเต้นตุปตาตูปตาอยู่ในขณะนั้นล่ะหาลูกสาวคนใหญ่ยกสําหรับมาว่างต่อหน้าต่อตาในภาชนะแก้ม้วยแนอยู่เนี่ยกินไปตาครบแต่ฉันเส้นหวานเส้นข้าวสมบูรณ์แมีนสิมีข้ามเชือเชิญดีๆว่าเอาแมนกินซะเม่ท่านใจดีๆกินซะให้มันแหลวมันทัวซะตามหัวสำมันยากัดกันใครมันการกันครบกันขึ้นมาไม่รู้แม่นี่ยัางใจบ้านดีในขณะที่ใจบ้ดีกินบุล่อมเมติสี อดขวนบนจงถึงมาทันทีโอ้ยกุศลมะอิมมาพ่อเถน้อว่าเป็นว่าอิมว่าพ่อแทกินข้าอิมอารมณ์ไมด้หนิอารมณ์ยังข้านใจอยู่อาหารกินบ่ได้ลักษณะลูกสร้างเรื่องสั่งเล่าให้มีผลกระทบกระเทืนตัวจิตตัวใจนี่พ่อแม่เป็นโลกประสาทงอนเพราะว่าพ่อแม่ยอมห่วงคนเกเรลูกผู้ใดเจเรไรไอ้ไหนมันเกหลายมีเรื่องมีเล่าไรถ้าไห้พ่อให้แม่อ่าได้ทุกย้อนเจสี่ พอเมห่วงไอจีเจล่ะพอกระเมี่ย่วงที่ไอมันพอเป็นคนล่ะคันห่วงหลายนี่ก็ย่อมบ่ได้รับบ่ได้นอนพอเม่เขากันขึ้นแต่นอนบ่หลับคิดฆ่าการไกลๆโอ้ยหาพอเม่นี่บ่ใหญ่บ่ย่งหาพอเม่นี่ลุมหายตายขาดไอ้นี่ก็ที่เป็นบุคคลที่เขาทอดทิมพี่ป้าหน้าอากิดทบ่อยากอุปถัมภ์กับสู้บ่อยากดูแลบ่อยากชุบเลี้ยงเอาเขาสิบป้ายให้เปลนคนแต่พัดแต่พ่อยทั้งหลายเลยบ่ได้รับแต่าขึ้นแตล่าขึ้นบ่หลับหลับบ่ล่ง นี่เรื่องอารมณ์ใหเกินให้ไปนั่นแหะอารมณ์หางเสีอท่าไให้เง้าร้องไห้อารมณ์นั่งเสีอทําไม่ให้ท่าไม่ให้เขาเลอะอ้วกอาเกียนก็ได้อารมณ์นี่ที่บอกเรื่องเลอะอ้วกไอเกียน์ปีหนึ่งลูกพ่อไปบอกอยู่อาเภอยะโสธรบอกเรื่องอารมณ์เนี่ยปีแรกเขาไปเล่นยู่ปีเนะ่ยไปยู่งนั่นลูกพ่อแหละลูกพ่อใส่ยะโสธรไปบอาเรื่องบอาเรื่องเด็กเด็กหน่อยบ้านลูกพ่อจินจอมกว่าอันว่าไะมเรื่องอารมณ์นี่ กินซบะก็ตามใส่ไส้เดือดนี่ยนะมึงดูคิดได้ท um. ี่หลังหากอยู่ได้ไหมมึงดูนี่นี่อารมณ์แจ้งวันนึงกับเรื่องอารมณ์นี่เขาเอื่นว่งอารมณ์ข้างลูกตีกันคากันตั้วหนาตั้ตามีกุ้งมาชุดมาหลากดึงออกไปคนละทีคนละท้างได้แล้วใจของพอใจควาแม่ยังเต็มตูดตาตูดตาอยู่ในขณะที่ใจแจ้ง่อนอารมณ์ยังวันสงบสร้านซ่านหาพระเข่ามาบมือดยางๆแล้วกินน้ําได้แล้วสูญยุ่นแล้วเขียวยุ่นกินบะอะไรไทกับไทเถัะวกินบะอะไรมีเขาเอื่นอารมณ์ข้าง อารมณ์ยังค่อยเป็นเสมือนก้างเป็นเสมือนดูค่าขอ้อขันก้านอิริเนาะอาหารกายห้าตงองสอดเข่าทั้งสี่เนีนบัวสอดเขปากบพราะว่าผลละหมากลากไม่เพราว่าเนื้อสัตว์สารราสิงจะต้องเข่าปากเขี่ยวบด้วยฟันจะค่อยกินคันที่ก้างก้างก็ข้อข้าเ ข, าข่าข้มต่อไปกืกนนนนินอารมณ์แล้ว อ, อารมณ์เป็นครื่ออันเหมือนอารอมณ์ขันอารมณ์ข้างนึงกินบะไรเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติธรรมของเขาจึงค่ยอยเข้าไปแก้ไขเข้าไปบดเปลือนชำละทั้งอารมณ์กัน ที่พอแมีไม่เห็นยูืนแล้วก็อาศัยแรงสนับสนุนเพือนลูกเต่าผู้อยู่เย่าฝั่ง บ, บ้านก็คือว่าซอยพอซอยแมีให้ยไม่จะเลื่อนมากเป็นความตัวเป็นไปเพื่อความตัวสะดวกสบายกันพอแมียศิละป์ปีโพดได้เพราะว่าผู้อยู่บ้านเฮ็ดดีจนสุดปีมือเฮ็ดงานทุกสิ่งทุกอย่างข้า่าปีโพดห่วงได้ห่วงอันในห่วงขอบห่วงขัวห่วงสิีนห่วงของระหว่างพอเมียผู้อยู่ย่านเขามาลากเอาเอางื่อนเอาขั้มไปแค่สิน่ะ ย่านลูกเบยุเย่าเป่าเฮือน่น้านองน้านุ่งลูกผู้ใหญ่ก็มักเที่ยวมกักเรียนคิดไปแค่นั้นนะนี่แหละไปพ่อจ้ะแปลว่ากังว่นนั่นสิงน้าขวางนี่ส่จ้ะเป็นไอคิดเถอดิดังนั้นเจ้เมื่อนี่กะขายผัวแม่เขามีโอกาสเนาะแต่หาได้มากฟังลูกหลานของผู้เจ้าสี่แล้วพูดน้นอยๆเขาเสีได้รู้จักวิธีขาพ่อขาแม่ชนิดที่มันละเอียดซึ่งเขาเองว่าลู้จัก ตั้งแต่พ่อแม่เองเฒ่ามากๆไปนี่ย่างบรรลุจักว่าลูกขาเข้าโดยวิธีไดแจ้งพวกลูกชนิดที่กำลังเพลินอยู่กับการท่องเที่ยวเล่นแบบหัวล้านนำไปเลยโบเอาไหนเลยโบเคยสอยงานซสยการให้พ่อให้แม่ได้สบายย่ามชลาให้ว่าประเภทโผล่เกษียณงานโบเคยมีเถอะข้ามาโผล่เกษียณงานบ่เมีนว่าอ่าพ่อแม่เป็นขาดราชการอายุหกสิมาโผล่เกษียณงานไนดิอันนั้นยืมคำพูดเขามาเว่าหมายถึงพ่อแม่เข้าเฒ่าล่แล้วทุกพอเราผ่าเชลาผ่าล่องเร่ให้ลูกมาโผล่เกษียณงาน ถ้ามาปอกระเสียงงานหมายถึงลูกมาปลูกพืชถ้ำล่ะปักคอใดอทู่ถ้ำคอใดเอากระตันยู่ก็ได้เวที่มาต่อบุญแท่คุณนให้พ่อให้แม่ได้รับความสะดวกสบา ย, ยง่ายเชื่อนี่งานหนักหที่พ่อแม่เคยเฮตุเคยทำกระสิพร ล, ลุกไปอ้อนลุกไปหรือสิบบริเวณผุนไปที่สุดเก่น ง, งานออกทงออก ท, องออกท่าไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวองงานขุดงานโกนงานหาหามงานหาช้างเจสิพ่อแม่จะได้สบายลูกก็คือว่าเอาพธชถ้ำคอนี่ละ่ะกระตันยู่ก็ได้เวที่กั๊บคอนี่อีก มาตาติถูอุปทานั่งเป็นการอุปทาน พ, พอแม่เป็นได้ตัวแต่กี่ห้อเขาใจในวอมแคบแคบเข้ามาอุปทานหรืออุปทาน พ, พอแม่เจ็บไข่ได้น้ำร้อนหมอนอนเสื้อไปใสามาใสาบ่ได้เอ็นแร่กินข้าวต้มซดข้าวต้มเงินจะค่อยซักผ้าคีีพายเี้ยวจังจงค่อยเข้าใจว่าเป็นเรื่องอุปทานก็กิงอุปทานนี่หมายถึงใส่พอใสอ่แม่แามพอแม่ห้าวเข า, เาขมาสู่ไวเชาลาแล้วที่สิก็เอื่นอุปทานเงอนเอื่นมาตาติถูอุปทานั่งเงิน เป็นการอุปทานบิดาแ ม, าม่ด่ากันเช่นว่าให้พ่อให้แม่ทำงานหนักพ่อแม่ของเฮาเท่าแล้วเจสีลูกออกส่วนออกต่างทุ่งซิงทุอย่างเขาเอิ้นแมาา่ด่าปิดอุปทานนั่งหรือเอิ้นกระตันยู่ก็บในเวทีท่านสองข้อเกิดถึงครับชุ่มชุนฟูอยู่ในฐานนาเป็นลูกพ่อแม่ทีได้รับอ น, นิสงฆ์ขอว่าสันติินทะริโยชนิ ป, ปกูอินทรีย์สงบแล้วครับอินทรียคือตาเขาเอาื้อจกขุนซี่ย่างก็อ่ะอินทรียคือหูเขาเอิ้นโซจินเซี่ยงหูได้ยินเสียงกับมิตรเสียงดีๆไหมบ่แม่งเสียงทะเลาะเบาะแหว่ง บ่เม็นโรคเต้าเป็นปลาเป็นเสียงโถเสียงเสียงอะไรเสียงดีเอาเสียงส่วนกันทำงานทำกันเอาละเอามาเฮ็ดอันนี้ต่อปีมือนได้กะพ่อแม่เท่าละห้ามาซอยกันมาซอยซ่วนกันเทิดงานเทิดกันหาไล่ได้ไล่ดีมาเพิ่มเติมเสริมต่อหอยดินห้อยเมื่อของพอของเม่ห้าไหวบ่อยพอกับแม่ห้าวทำงานอิร้อนพ่อๆอีกต่อไปเจ้สิเขาเอื่นว่าเสียงที่เป็นสิริมงคลเสียงเจ้าชีต่ออายุหายเจพ่อแจ้าม่พ่อแม่บ่เปโลกประสาทคนเปโลกประสาทอายุสั่นท่านตาย ขาจนเขียนไว้แล้วแต่ น, นอนในมุ่งยุ่งกินจนจอยหมายถึงบวมนยุ่งไล่บวมนยุ่งกลนปองมันหมายถึงโลคประสาทกลางมุ่งไว้ปานในมันก็เขาได้โลคประสาทเพรามันอยู่กับใจห้องผึ้งไงมันบวมเนสัตว์ที่คอยคือคอยฆ่าหรือบินเลาะวนเลี้ยอยนอกมุ่งไงมันก็เกิดกับใจหอ้องไงการเลี้ยงอารมณ์นี่แหละเล ย, เลยโรคประสาทนี่ถ้าคุณคิดนักนวงแต่เรื่องลูกเจ้าคนนั้นมันบด่ดีมันบ่เอาไหนเลยตั้งจากลูก บ้านไก่ชิดทิศฮักคนขานเขียงลูกของเขาสมัยดีแท้กันสั่นเจ้สิขันเห็นลูกของเขาดีขันเอามาเปลี่ยนเฉียบแห้งเกลืน่อยเนื้อตั้มใจสินะแห้งให้คุณคิดถึ่มมากถ้ามาคุณคิดกับไม้ถึงปุ่งแดงเป็นสังขารต่ว่าในเมื่อพวกผู้ใช้เคยบวชเนาะเตะสังหูปัสมโมสุโขความที่เข้าไประงับแต่เสียขึ้นสังขารได้อยู่ล่ะวิธีแปรหรือขั้แปรมันแต่ว่าวิธีเข้าไปสงบระงับมันสงบระงับบุได้มันเป็นเรื่องคิดเรื่องปุ่งแดงเป็นจีสังขารขันมาฝึกฝึกแล้วเจ้าส ก็ค่อยปเป็นหูเปตากันตัวหาหนูคนใดเปิดโอกาสให้พ่อให้แม่มากไปเจอท่าบิอยู่หนีหกหมื่นเจหมืม่นแล้วค่อยสังเกตไปเราสิตางเกาตางหลังปอขันปอต่างเกาต่างหลังปีนาหามีการเปิดโอ้อีกบอให้มากอีกอะไรตัวยับย่างเลยปลาท่วมล้วนแล้วผู้น้อยปีนาโอปีการก็ให้ไปเบิ้งเบิงหลายแม่เกิดขึ้นพอเห็นตางเกาห้ากระอาชีพทวมได้ขันก็ให้มากฝึกแล้วสิดีด้วยอ้องพ่อว่าสิกลับไปเต็น เพราะว่าการฟื้นผลนปวดปือห้คนในต่างเข้าหต่างหลังอีนดีวิปัสสนาเขาเป๋ว่าลูกแจง้ลงล่วมสภาพว่าดิมคือเกินเกาแจง้งผู้ชายค่อยกินเราเมาสุรา่าอาดเที่ยกันจริงๆ จ, จนเลิกจนล ะ, นละเป็นที่สุดบ่เจียวของกับของเสพติดมึนเมาลูกจ่ายวิธีประหยัดชีวิตผู้เล้วลงใครแม่ลูกหลานมากเพิ่มีก็ะหอดลูกจ่ายวิธีประหยัดชีวิตการประหยัดชีวิตเที่ยงประตูเดียวเป็นการประหยัดทรัพย์ประหยัดความมีค่านิราคะละไรอันคู่มือลูกหลานก้องเฮาว่าประหยัดชีวิตกิดเนื่องจากจะทีหลังจะ คำว่าเรื่องบอปอาญัดชีวิตก็บค่ายๆกบว่าพอแม่บุรุษเปิดทา้งแหย่หลูแห่เต่าเนาะผู้เขาเกิดไม่ไงรุ่นไม่เห็นโลกไม่ไเขาอยู่ในวัยที่กาลังเฉื่อยเฉงงงามกำลังเพลินต่อโลกกห้เขาเปิดหูเปิดตาเฮาจะไปหามเด็ดขาดเพียงแต่เบาแยมทังไดสิเกิดถอดเกิดไพ่ใหยใจลูกหจเต่าท่านได้สินั่งขวมหาญาะเคลื่อนเสียหม่แหย่หลูแหยเต่าเขาใจเขาใจจังไม่พอว่าคาว่าบอบปายญดชีวิตคืออย่งไหนใชรชีวิตบอบอญยั แค่ชีวิตว่วประหยัดกันับตั้งแต่ออกเที่ยวกินขึ้นกับพีดวิสัยแล้วอ่ะเที่ยวกันขึ้นไปไหนยัดเที่ยวมาเกินไปการเที่ยวขึ้นหอสองสามทุมกลับมานั่งกับอะไรจะเข้าดูทั่วไทยจะสิหอสามทุ่มหรือย่างเกงอี๋ไปซีทุ่มกันให้ได้พักผ่อนซะเพราะว่าวันลุ้งขึ้นเข้าสิเอาร่างกายเอากำเอาเอาแห้งจากร่างกายมาทำงานทำการใช้ขอใช้กวนนะอันไปเที่ยวกินขึ้นนี้ร่างกายของเขาย่ามเกินขึ้นมันต้องการพักผ่อนเพรว่าภัยเกินขึ้นมันต้อง หาเวลาให้เขาได้รับแจกลัดจมนอนลัดสนิทร่างกายของเขาเานี่ยครั้งเขาไปดูนั่งฟังเพ่งเลยนี่ไหนโอ้ยเขากิบ่เปิดโอกาสให้ร่างกายได้พักผ่อนแล้วเขากําลังประหยัดหรือบ่ประหยัดเห็นตรงนี้เลยเขาสียบประหยัดชีวิตในเมื่อร่างกายบขาได้พักผ่อนไปนั่งตากหน้าหมอกอาบน้ำข้างแดบบีโต้รุ่งโอกาสของร่างกายมีที่แพ้มีเกิดเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นป่วยได้ขันเป็นวัดเป็นไอเป็นไขเป็นป่วยบ่ใช่ว่าจะหายเองต้อง หาเนื้อหาช่องซื่ออยู่ซืออย่างมะปินมาปัวซิเวราประกอบไอคิบเนี่งสิจากยางปวเมว่าไปเที่ยวกัน้อาชีพเยียมงูเยียเี่ยเย็่เแมงงวะเยียมทันเหลือขั้นอาชีอันตราล่ถึงายขันทันมีพิหลายๆไปเที่ยวกันขึ้นถ้านักเลงอันต้ัพังเขาดีเขาต้อยเขาปาแล้วเบิดส็กกันยิ่งปืนาน้ำไม้ชกันเข้าอาจีเจ็บตัวพอถึงลูกหลงเดี่ยสไปเที่ยวกันขึ้นลูกหลานไฟเยี่งเขาอาจีพถูกชุดข้าหน้าจ่ายเนี่ยสิมันมันหลายประตู เพราะฉะนั้นซื่งว่งาการบกปัจจัยชีวิตแล้๋ยวม่เกิสิบบกปัจจัยทรัพย์ไปเรื่อยๆหลายๆหลยแนวกันห้ามีโอกาสได้ยินในฟัง่งหลวงพวรร่อว่าลูกหลานของข้าสศรเกิดสติปัญญาไปมือละหน่อยมือละเล็กขึ้นกันนั่นๆต่อที่บ้านห้องได้เปิดโอร่งคันนี้ก็อยากขอขอบคุณลูกปูเปแล้วก็พ่ลูกพ่อหลานผู้เพื่อนมาเตรียมงานเตรียมกันแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ผู้เป็นแรงสนับสนุน ด้วยการตื m m ้นเดือลุกเสาเสียงที ừ, sao sao? ่แค่ยุนี่หเมื่อเช่นเมื่อกีเขาอภัยมากมากหากแ่เป็นเสียงปุกตื้นเดือเดือเจสิตื้นเดืกไก่ที่ว่าอ่ารวมงานกับพี่แม่คันตื้นเดือดเจสิได้บานกันผู้ถาห้องบ่อเปโลคกรเพาะตื้นเดืกเพราะตื้นคือากินน้ำจะเศร้าซะน้ำจะเศร้าใครกินเพื่อเป็นยากินเนี่ยเฮีผัแม่ค่อยคยทดล่องไปกันบ่้น้ำฝนดีดอยู่ตุมอยู่หาห้องละบ่ท่านเสือด้วยสีด้วยกลนเลย ให้กินเพื่อแหงเป็นยามันยากคืนบ่อย่างร่ำมันเป็นยังจะถื่มาอยู่างร่ำเพราะว่าเด็กๆค่วมหิวเพท่านเกิดขึ้นเพราท่านมีค่วมหิวมากกระตุ Honestly, hmm. ้นไงการห่าท e ํางานแบบตาแดดเนื่ออะไรไข่ย่อยคอกระแหงมีค่วมอยากเป็นทุ่นสิไปกินน้ามันก็ขื่นขืนสบายไม่ร้อนเฟื่องไม่ไว่ารอนเฟื่องไม่ไงว่าสรืว่าขืนสบายสบายอันนี้บพรมีค่วมหิวเป็นทุ่นเดิมค่วมหิวเพท่านมากกระตุ้นกินเนี่มาเศ้ากินให้เป็นยานี่คื่นยากยก เพื่นว่าให้กินย่างชีไร่เริ่มสตาร์ตจนแค่ตตสามแก้วคือไปนั่งกองน้าลายอยู่สีห้าสีทอนอยู่มันแบบน่ะคนหัวลูกสวิตสลัดข้อสลั ด, ข, ลดข้ามอยู่หุ่นเหล่าแหะมันกินหยากไ้คันกินได้จริงๆเลยเมียโลกกระพาะนี้อ่ อ, อนลงเลยหายเป็นหุ่นเหล่าคักินเป็นประจําชัวหน้าตัดีไปเลยเย่ท้องผูกเน่องท้องสีบวบผูกกินไม่ไหม้บางสีล่าข้ามเนื้แต่ไปเบ่าดูดูมันไปเบ่าวดูเองเอาไปมาเกะชิ้นเลยบาดี ขึ้นห้องถูกบะมีโรดกระเคอ่คอยหายไปเพราะวา่ากระเพาะของเขานี่เจ้สีเล่นอาหารที่รับประทานไปเมื่อวานนี้ล่งเฉยมากับข้าวไทยออกมาบเวชส่วนที่ละเอียดละเอียดนี่อยากดิบอยู่กับผนังล่ำใสขันติดยุลลายขึ้นขามมือขามขึ้นมันละลายขึ้นมันบูดข้าวถัองเมื่อเกิดอักเสบคิดบังเถือ่อนตาซ่านพ่อเถื่อแม่ในฐานะเป็นแม่บ้านเป็นพ่อขัวเป็นแม่ขัวแห่งเด็ดลำลำนํากับเถือ่อนตสร้างแห่งเห็นหนาดแตาโคกสี่ขันโคบต่ำ ม, มาพินิก โบราณสิบางทีดิสติโคก็ซื้อขามขึ้นเดียวกระ บ, บู่แล้วแม่บ่อบบ า, าหารบางอย่างห้าวจีถื่วทีซ่าเบิงเห็นชัดๆมันกระ บ, บุ่แล้วบานนี้ที่มัสยิดยู่ผนังซ่อมเสร็จเขาก็มีโอกาสตื่นกระเพาะหลุด ก, กระเพาะหลุดมะเร็งใดนั่นนั่นในขณะที่เสียงวัดตื่นตอนตีสี่เจ็ด่เพื่นใช้เสียงฟุกก็ขอให้พ่อแม่โอใ๊ใหญ่ไหวใช้คัดจีเตรีการซอยซะใ ห, ให้ได้ทรงทางผู้เฒ่า ม, มาปฏิบัติยุนี่ให้มีผลไปในทางดีส่งกัน แล้วก็ลู้กินน้ำแต่เดือดเดือดน้ำถึงว่าสิบวิมีถ้ำมะขอหนังเกิดมะขะตุนหมายถึงบ่มมีความหิวมะกะตุนแต่เก่ามาต่อมีความหิวเป็นอุปีและกะก้วกรรมเป็นกรรมดีขั้นหรือเป็นกรรมสนับสนุนจะค่อยกินง่ายกินเป็นประจำมึงได้ปวดเมืเ่อยหาวทลวงเตี๊ยกกินเป็นประจำไปเลื่อจะเหลือได้เป็นเฮีงจะค่อยจะเป็นยาดีให้ได้หายโรคหายไข้หายหอายุมันให้อายุยืนเป็นหุ่มเป็นโพชเจริญเจ้เต่า อ, อันนี้เป็นวิธีงานไงไม่ต้องหา ย, ยากมาจากท่าอื่น ่เป็นน้ำอยู่กับตุงเป็นน้ำฝนเฮี่ยนใดกับทีได้สะสมไว้เรื่องน้ำฝนนี่เป็นน้ำสะอาดขณเฮี้นใดมีเยื่อหน้ามอหรือที่น้าเจ้าหน้าห้อแหงดีต้มาแต่มหัวคำหา ก, กินน้ำอุ้งๆอะไรเพราะอะไรเยมันเศ้มามัแจง้งใครกินบ่ขยาขา ย, ขยแล่ผู้ใดเป็นโรคอ่าความดันโรหิสูงนี่อ่าเขาเ อ, าอื้องยาดอกคาหรือมา่านท่าอินแท้าอยมีนี่มีพวดเมื่อยมากจากน้องแกกับจนหายห อ, อนไปเอายาท่านหลวงนี่นไว้ ปอมๆอมยู่กับว่าหายดีสูญญาเขาแชนเดียวว่ารว่าไรร้ายขนาดเอามาตมกินนี่พวกโรคพมแันโหิสูมนี่ไม่ไงถ้าไม่ด้วยตักก่ไปเที่ยวหาตลาดไปเช่พุมของน้องของเดียวนี่ลวงพอ่อห้ต้มเป็นประจำเดือนนี้สบายเยเด่อยๆปวดหัวปวดเข่าไข้ปวดม้าอยู่เนี่ยเข้ายาประมาทสมมุติไผ่ย่างแจ้แม่ได้รับว่าเป็นนิ้วนั่นนิ้วไตนี่ลงพ่ออันนั้นเลยลงพ่อเขาเขาว่าสีก็เหมมือตัดมือพาปุ๋หลงพ่อ นิวไตนี้สมมุไนไวรห้องเดียวอย่าลืมแค่ผู้หมูนี่เดี๋ยวนี่ดอกรวนเบอร์อะไรที่หัวรวนกําลังรวนฮะจำไว้แค่ผู้หมูเครืองูเขียวหักกระจายสามยังมี่ได้กีนมันสามยางก็ยังมีผลดีโลพอไปได้ขนานที่สองม่ได้เอาขะแนนสองคะแนนมาใส่กันเลยเป็นยาฮาจัวไม่แค่ผู้หมูเครืองูเขียวหกักกระจายแล้วกับปลาไลลเผือกกับอหนวดไม่อาใส่กัน ปรู้ไดเพือกปลาไหลเผือกยิ้บโทองเข้าหนิมบ้านเข้าเอินต้นยิ้บโทองหอนิมเออเข้าเอิญปลาไลเผือกเขาเอิญปลาไลเผือกเี ย, ยไดไร่เลยแต่ว่าปลาไหลเผือกมันขมยิ้บโพทองมันขมแยาใส้หลขัดตม้ม ah o, me, มันเือเพราะองแล้วโคบ้านเข้าบะมี่ร่ไแล้วเค้านวดดีวดีเออเกลือ ah, เขาห้องเขาเออือเขาห้องเขากะ เอื้ตพื้นเขาอยู่เขาบางที่เขาเอื้อลเพลืคือปลายเผือกมันเป็นบะมีหากอันหอยมีตะหากแก้วย่างรุงเทียนนิ่วแลเกี่ยงปยังหักวันนีอื้ออนไเกี่ยงๆหรือม่หักขาวๆขมเนื้อขมว่เอ้อขมขันใส้หล่าไปใส่ไหลมันก็เปลืองดอกปลายเผือกเอือไปทาสีกับนี่จะหาวออกมาใจนี่ นี่้านีกรณีโกกรคกระพาะนี่ให้กินน้ำประจาด้ยพวกแม่ลูกหลานเือป้องกันแม่นลูกหลานบ่าเป็นใให้กินเป็นนิสัยไว้พวกนั่งน่อยห่อนุ่หน่อยกนนอยินเป็นนิสัยไว้ตื่นข้มากินร ว, วละคันเสียงนี่ในขณะที่พวกหลวงพ่อมาอยู่น้ำหกเกินมือก็ขออภัยมากๆเพราะจาเป็นต้องใช้เสียงคุกให้นังปฏิบัติด้ลูกดีซีพอะสิได้มาสมวยม่ไหวพระยางบขาดมีโอกาสไดนี้ในป้องเจสีแล้วพวกย้ายบ้านกันเพือการตืีนพร้อมกันกันได้ นเดอรู้ศาัติตพื้นิไปหงนตืนนแจงแบ่งกันละระยะพอแมียบอยู่อ่ะผู้นึงกัตังห่ำมส่องอางกะทังกะทะสัผู้นึงกันาทีปัดกัวกัปัดกัวซะปัดแล้วกัวแล้วคสาบ่พอบ่เพียงกผายชูหน้าม่เช็ดมาถูผู้นึงกับเบิงสวยเบิงสร้างเส็จเลบิงค้เบิงฉากนเลเตียมกันคนละอันคนละยางแยโถเฉียงเกียงง่วงกันให้อยู่ท่ากันถอยที่ถอยอาศัยกันผู้จ่าปอาศัยกันให้มุนม่ระวางพอแมีย้าบอยู่อ่ะเอาท่านี่ ลูกพอว่าพอแม่อาทมาปฏิบัติอยู่พี่ก็คิดว่าคงสิบค่อยฟัง่งชีิตสัตวเป็นไรเด็กน้อยอยู่ทางบ้านเมืบ่บเปลี่ยนก็มีดมีดอยู่เพื่อกดสีดีใจเมื่อนี่อารณ์เนาะมา่อคืนจังสิสวยๆแล้วเดี๋ยวนี้ก็สองโมงหาหน้าที่เลยไหมอารณเมื่อนี้ก็เป็นการฟั่งบรรยายทำแถมท่ายสำหรับแม่พอลูกลูกและห ล, ลานที่มาจยางหันในนด้ฟังมือน่อยมื อ, อ, มอเล็กเพื่อเป็นการเสริมสั่งทีิปัญญาอารเนาะบาณิกา ละพรดโลเทาะร่วงยังไง่ายนี่แหละละพอดเยทาวิวาหาปูราปิปุริปุเรนติสากะลังเอวะมีวะอิโตจินังเปตานังอุปกะปะปิอิขิตังปะติตังตุมหังกิปะมีวะสมิเชตุสภะปุเรนตุสังคะปา จันโูปันนราโสยธามนิโชติราโสยธัสปีติโยวิวัชันตุสปรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายสุขีธีขาโยโคภวะอภิวันาชีริชนิจังอุทธาปยิญูจัตตารุธรมาวัฏฐิอายุวันูสุขังผลังสะ อยายาเนิวก็ไม่เขียนไม่เขียนเอาันนี้พูกเป็นนิวอะอย่าป่าไปพาตัดเอาสมุนไพรเข้ารับร่องอยากว่าพวกหนูนหน่อยหาแม่มาเพียรแม่ใดไม่อยู่เพียรสู้ด้ะเจียงระยะพอแม่เข้าออกไม่ยยัดอ่ะ ให้มีโอกาสดียนี้ใังเยีมเศ้าเยียมแรงน้ำกัดกะแห่งดีคันว่าไกลวัดเกินไปอ่ะทำเวลาพ่อก็ขอเชิญมาโหลดป่วยแม่ห้ามาเสือน้ำห่อนน้ำอุ่นลูกหลานห้าผู้เป็นผู้เย่าผู้ไหวต่างไดี๋ยวน้ในังเรียงน้ำห้อน้ำอุ่นพู้ถาพูทพอทำวัดแล้วเพิ่มสวมอนแลกเพิ่มเสน้ำห่อนให้ลูกให้เต้ามาเสือน้ำห่อนซอยพู้ถาผู้วซอยป่วแม่ควนก็ได้ทำบุญซอยกัน